ตอนที่ยีแม่เลี้ยงจัด ก, การเรื่องราวได้รอบครอบซูมานอินเห็นโจเว่หมินปกป้องซุนจิวหลิงในใจก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอบอุ่นมิน่าละโจเว่หมินที่อารมณ์ร้ายขนาดนี้ซุนจิวหลิงยังคงปกป้องเขาอย่างสุดชีวิตและรักเขามากขนาดนี้ที่แท้เขาก็รักและถนอมภรรยาของตนถึงเพียงนี้เองสหายทั้งสองภรรยาของข้าพูดถูกแล้วเรื่องนี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบจริงๆพวกเราจะเปลี่ยนแน่นอนส่วนเตานี่พวกเราจะเอากลับไปทุบทิ้งแล้วขายเป็นเศษเหล็กดีหรือไม่ แต่พวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้ากลับไปแล้วจะทําลายมันจริงๆชายร่างสูงโปร่งยังคงไม่ยอมเลิกลาแล้วยังมีอีกปัญหาหนึ่งพวกเจ้ามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่ยางเห ว, วินจะวิ้นวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามามือหนึ่งกุมหน้าอกพลางหอบหายใจอย่างหนักขณะอธิบายสหายังสองค่าคือผู้อานวยการโรงงานทผ้าสวนสายซูท่านนี้เป็นครอบครัวของพนักงานในโรงงานเรา สามีของนางเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เดิมทีทางโรงงานเห็นใจจะให้นางมาทำงานแทนตำแหน่งเดิมแต่สหายซูไม่อยากสร้างภาระให้กับส่วนรวมจึงเลือกที่จะพึ่งพาตนเองด้วยการขายของว่างเล็กๆน้อยๆใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พวกท่านพูดถึงนางกำลังยื่นคำร้องอยู่วันนี้เป็นการตั้งแผงวันแรกเพื่อเป็นการขอบคุณที่คนในโรงงานช่วยกันบริจาคเงินและเพื่อทดสอบรสชาติอาหารด้วยไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไรจริงๆเจ้าหน้าที่ทั้งสองมองไปที่ซูมานอินใจก็เริ่มเกิดความรู้สึกเห็นใจขึ้นมา สามีตายตั้งแต่อายุยังน้อยเจ้าก็น่าสงสารจริงๆแต่กฎก็คือกฎหัวหน้าแผนกเช้าท่านดูสิเจ้าหน้าที่ร่างทวมเอ่ยขอคําชี้แจงจากชายร่างสูงโปร่งหัวหน้าแผนกเช้าทําหน้าบึง้งตึงพางถอนหายใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันของพวกนี้พวกเราจะนําตัวไปก่อนรอให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของพวกเจ้าออกมาก่อนค่อยมารับคืนไปผู้จบหัวหน้าแผนกเช้าก็ยื่นมือไปหมายจะหยิบกล่องเก็บเงินกําไรเหล่านี้ถือเป็นรายได้ที่ผิด ก, กฎหมายจะต้องถูกยึดไว้ ไม่ได้นะถ้าเอาเงินพวกนี้ไปแป้งกับเนื้อของพวกเราก็ขาดทุนหมดนะสิชินเสียเวเย่เว่ยโกรธจัดเหตุใดต้องมายึดเงินของนางด้วยน้ําตาของนางเริ่มร่วงเพาะลงมาอีกครั้งโถทถังนี่มันเงินชดเชยของคุณปู่ชัดๆขาดทุนหมดแล้วแล้วเราสองคนแม่ลูกจะอยู่กันอย่างไรต่อไปซูมานอินเองก็รู้สึกผิดในใจนางชั้นโม่ขานักคิดแต่จะออกมาตั้งแผงหาเงินจนลืมเรื่องการทําใบอนุญาตไปได้อย่างไรแถมยิ่งทาให้หยางเหวินเจวินต้องพลอยลาบากไปด้วย ขณะที่กําลังวุ่นวายใจอยู่นั้นเกาฉางเหอก็พากันเดินเข้ามาเสี่ยวเฉาทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะหัวหน้ า, ผานแผนกเฉาหันกลับไปมองเมื่อเห็นว่าเป็นเกาฉางเหอใบหน้าก็พันปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาทันทีผู้อํานวยการกลมอะไรหอบท่านมาที่นี่ครับไม่มีอะไรหรอกแค่อยากกินขึ้นมานั่นเลยกัว่าจะมาซื้อโรเจียหมูไปลองชิมดูสักหน่อยเกาฉางเหอเดินเข้าไปหาซูมา่านอินอย่างเป็นธรรมชาติพลางเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเท่าแก่นี้ซูยังมีโรเจียหมูเหลืออยู่ไหม ไม่รอให้ซูมานอินตอบฉินเสี่ยวเย่าก็เริ่มร้องห่มร้องให้ฟ้องทันทีไม่มีแล้วเขาไม่ใช่แค่มหมัวที่ไม่มีแม้แต่เตาก็เกือบจะไม่มีแล้วผู้อํานวยการก็อย่าไปฟังเสี่ยวเย่เวพูดเหลวไหลเลยค่เรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยซูมานอินอธิบายด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปตําหนิฉินเสี่ยวเย่เสียงบอกว่าเหตุใดถึงไปเรียกเกาชังเหอมาหัวหน้าแผานกชาวเห็นว่าทั้งสองคนรู้จักกับเกาชังเหอท่าทีก็เริ่มอ่อนลง ผู้อำนวยการกับพวกเราได้รับแจ้งเบาะแสมา น, นะครับเลยต้องมาตรวจสอบดูหัวหน้าแผนกเชาทําหน้าลําบากใจพลางชี้ไปที่เตาบนพื้นเตานี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบจริงๆและพวกนางก็ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้วยครับสหายพวกนางทําแล้วครับอีกไม่นานก็ได้แล้วผู้อํานวยการโรงงานอย่างช่วยผู้สนับสนุนอยู่ข้างๆแต่ในเมื่อยังไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ครับหัวหน้าแผนกเชากล่าวอย่างจริงจังพวกเราต้องทําตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับไม่ใช่หรือครับ ซูมานอินถอนหายใจครั้งนี้หนังพลาดถ้าจริงๆกําลังจะก้าวออกไปยอมรับผิดแต่ทว่าเสี่ยวเฉาวพวกนางมีใบอนุ ญ, ญาตประกอบธุรกิจนะเกาช้างเฮอหยิบใบอนุญาตประกอบธุรกิจใบใหม่ออกมาจากด้านหลังราวกับเล่นกลบนนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่วนบุคคลชื่อซูมานอินลงวันที่เป็นวันนี้และยังมีตราประทับสีแดงสดของสํานักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์อำเภอไห่เฉิงประทับอยู่อย่างชัดเจน ชินเสี่ยวยาวถึงกับอึ้งนางจ้องมองซูม่านอินพรางถามเสียงเบาม่านอินทำไมเจ้าไม่รีบบอกละ่ะซูม่านอินเองก็ตกตะลึงไปเช่นกันไม่ใช่ว่านางไม่บอกแต่นางไม่รู้เรื่องนี้เลยจริงๆนางจ้องมองเกาฉังเหอด้วยความสงสัยในใจแต่เขากลับขยับเข้ามาใกล้แล้วกระซิบเสียงเบาว่าติดค้างเกี่ยวค่าสองมื้อแล้วนะเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งสองเห็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจและเห็นว่าเกาฉังเหออยู่ที่นี่ด้วยจึงไม่ได้พูดอะไรมากอีกเรื่องเตาก็ไม่ได้เอาความต่อ วางใจเถอะข้าจะคอยดูให้เองพวกเขาต้องเปลี่ยนแน่นอนคำพูดเพียงประโยคเดียวของเกาฉางเหอเปรบเสมือนยาทาให้อุ่นใจที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดนั้นไอหยาสหายซูในเมื่อเจ้าทําใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้วทําไมไม่รีบบอกละ่ะหยางเหวินจ๋วิ้งกล่าวตําหนิด้วยรอยยิ้มข้าก็ว่าและสหายซูจัด ก, การเรื่องราวได้รอบคอบเสมอมาไม่มีทางที่จะเกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้ได้หรอกซูม่านอินยิ้มเจรอนในสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้ไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับแล้ว นางกล่าวขอบคุณผู้อานวยการโรงงานอย่างและหัวหน้าสถานีเก่าเป็นการใหญ่วันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าสถานีเก่าที่มาช่วยได้ทันเวลาจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราคงลาบากแน่เจ้าน่าสงสัยจะอยากพึ่งพาตัวเองมากเกินไปหน่อยหัวหน้าสถานีเกเหลือบมองเตาที่วางอยู่ข้างๆสู่มา่านอินเข้าใจความหมายในทันทีวางใจได้เลยค่ะพวกเราจะซื้อเตาที่ได้มาตรฐานมาใช้ไม่ทาให้ท่านต้องลาบากใจแน่นอน หัวหน้าสถานีกระบอกมือไปมาก่อนจะชี้ไปที่โจวเวยหมินแล้วเอ่ยถามตอนี้เจ้าเป็นคนทำนั้นหรือโจวเวยหมินที่กำลังยุ่งอยู่กับการช่วยภรรยาเก็บร้านเมื่อได้ยินหัวหน้าสถานีเกาถามก็รีบเช็ดมือแล้วเดินเข้ามาใช่ครับผมเป็นคนทำเองหัวหน้าสถานีเกาพยักหน้าอืมฝีมือไม่เลวที่จริงของชิ้นนี้ก็ไม่ได้ต่างจากที่ผลิตในโรงงานมาตรฐานเท่าไหร่นะข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันยังไม่ผ่านการตรวจสอบและยังไม่มีป้ายรับรองคุณภาพ ซูมานอินฟังความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําพูดของหัวหน้าสถานีเกาออกขอบคุณหัวหน้าสถานีเก่าที่ช่วยเตือนข้าพวกเราจะเปลี่ยนไปใช้เตาที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานแน่นอนหัวหน้าสถานีก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยไม่ได้กล่าวอะไรต่อแล้วหมุนตัวเดินจากไปแม่ครับหัวหน้าสถานีก็หมายความว่ายังไงนะ้าโจวิหมิงเกาหัวตอนนี้เขาจะไม่ยึดไปหรอเขาจะเอาเตาที่ไม่ได้มาตรฐานไปทําอะไรละ่ะซูมานอินตำหนิโจวิหมินเสียงเบา เจ้านี่นะเขาพูดไปให้ขนาดนี้แล้วยังจะมายืนบื่ออยู่อีกเอ๊ะเอ๊ะอะไรกันที่รองบ่ายนี้พี่กำลังงานสักหน่อยแล้วพกบุรี่ไปสักซองไปหาอาจารย์ที่โรงงานฮาร์ดแวร์ให้เขาช่วยตรวจสอบให้แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเตาที่ได้มาตรฐานเสียก็สิ้นเรื่องฉินเสียวย่าวที่ยืนอยู่ข้างๆหัวเราพลางอธิบายจำไว้ให้ดีนะว่าคือการเปลี่ยนเตานี่จะทําได้จริงเหรอครับซูมานอินจนใจจึงต้องสอนกลนเม็ดให้เขาอีกสองสามกระบวนท่า พนักงานโรงงานฮาร์ดแวร์เหล่านั้นต้องการผ้าซึ่งเศษผ้าที่โรงงานทอผ้าคัดทิ้งในแต่ละเดือนนั้นะเป็นของหายากที่พวกเขาทั้งอยากได้และหวงแหนกันจะตายไปอีกอย่างเตาของเจ้าในาขนาดหัวหน้าสถานีก็ยังชมว่าทําออกมาได้ดีแล้วเจ้าจะกลัวอะไรสูมานอินยิ้มอย่างมีเลเสนายไม่แน่ว่าอาจจะมีเรื่องดีๆรอเจ้าอยู่ก็ได้คราวนี้โจเวยหมิ่นยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่เมื่อเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยสุมานอินก็ให้สองสามีภรยาโจเวยหมิน่นถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจและข้าวของกลับบ้านไปก่อน ส่วนตนเองกับฉินเสี่ยวเย่ายังมีธุระต้องจัดการต่อซูมานอินปั่นจักรยานพาฉินเสี่ยวเยว่ายังถนนที่มีร่มเงาไม้หน้าโรงงานเครื่องจักรซึ่งอยู่ติดกับโรงงานทอผ้าใต้ต้นหยางแถวหนึ่งมีจักรยานจอดเรียงรายอยู่เป็นจํานวนมากน้าสไพรเพื่อนรักพวกเรามาทําอะไรที่นี่กันคะหวังเกว่าทํางานอยู่ที่นี่ซูมานอินอธิบายพวกเราจะมาส่งของขวัญให้นางสักหน่อยน้าสไพรเพื่อนรักอยู่ดีๆทําไมพวกเราต้องส่งของขวัญให้นางด้วยล่ะคะ ชินเซียวเย่าขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเห็นซูมานอินหยิบตะปูยาวออกมาหนึ่งตัวนางก็เดาได้ทันทีว่าของขวัญชิ้นนี้ต้องเกี่ยวข้องกับความประหลาดใจแน่นอนซูมานอินชี้ไปยังจั ก, กรยานคันหนึ่งที่จอดอยู่ไม่ไกลซึ่งมีเชือกสีแดงผูกอยู่ที่ตัวถังรถก่อนจะกล่าวด้วยความแค้นเคืองหวังเวื้อฮานางนี้เห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้เช่นนั้นนางก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างสงบสุขเลยชินเสียวเยเ่เข้าใจในทันทีว่าซูมานอินมาเพื่อล้างแค้นนางจึงเริ่มมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันตาเห็น มีน้าหลับผู้อำนวยการโรงงานอย่างถึงบอกว่าน้าจัดการธุรกาได้รอบคนะรอบนักรอบครอบจริงๆด้วย